สองที่ก่อนนะไปช่วยเพื่อนในงานอบรมเป็นไม่เป็นเวิร์กช็อปมากกว่าเรื่องเบิกบานกลางขึ้นลมคนที่มานะส่วนใหญ่ก็พาความทุกข์มาด้วย หลายคนก็มีปัญหาเรื่องลูกก็มีบางคนเขาก็เราว่าพอแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกก็พยายามที่จะ ทำทุกวิธีทางเพื่อได้ลูกนะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะ if if อะไรก็แล้วแต่นบะางคนทำแล้วทำอีกก็อาจะกลยได้ได้ตัวอ่อนแล้วก็มันติดนะเราเรียกง่ายๆว่าติดลูกก็แล้วกันนะ ก็ยากแล้วพอตั้งคันมาได้สี่ห้าเดือนก็เกิดแท้งขึ้นมาก็ไปทำใหม่ทำใหม่ก็แทงอีกบางคน ลูกโตแล้วก็ปรากฏว่าลูกในคันนะจูกๆก็เกิดหยุดดิ้นขึ้นมาเจ็ดแปดเดือนแล้วใกล้คอแล้วราก็ว่าไอ้ลกมันมาทันคอเด็กก็หยุดหายใจหายใจไม่ออกก็ตาย เสียใจมากร้องผมร้องไห้ก็มีบางคนก็โชคดีลูกก็คลอดออกมาได้ดีใจมีความสุขแต่พอลูกโตก็ เกิดความเครียดลูกสมาธิสั้นสอนยังไงก็ไม่ฟังก็ต่อว่าดา่าทอลูก แ, แล้วก็มาเสียใจแต่ว่า ทำไปทำไปมันก็กลายเป็นนิสัยห้ามไม่ได้อก็กุมใจแบบหนึ่งไม่ได้ลูกก็กุมใจเสียใจได้ลูกมาแล้วก็เยังทุกข์เพราะลูกหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างแม่กับลูกพ่อกับลูกไม่เคยมีสันไหลเพราะพ่อไม่เคยเยดูแลใกล้ชิดลูก แ, แม่ใีใกล้ชิดลูกก็มีความทุกข์มากก็เห็นเล่นนะว่าตอนไม่มีลูกก็ทุกข์พยายามที่จะมีลูกให้ได้ไม่ได้ลูกก็ทุกข์ได้ลูกก็ดีใจดีใจล้นพน้นแต่ว่าผ่านไปสี่ห้าปีก็กลับมาเครียดกลับมากุ้มใจ มีบางคนเล่าว่าลูกอายุโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีความขัดแย้งกับลูกมากทำนองว่าลูกพูดอะไรก็ไม่เคยเชื่อแม่พูดอะไรกับลูกลูกก็ไม่เคยเชื่อฟังเอาแต่เล่นทางการเรียนไม่สนใจเล่นแต่เกมออนไลน์ พูดไม่ฟังแม่โกรธมากคงมีความโกรธสะสมกันมาหรือเคยมีคดีกันมาเยอะและตั้หลังนี่ทำยังไงเอาไม้กวาดนี่ไม้กวาดเนี่ยฟาดฟาดกับโต๊ะฟาดแล้วฟาดอีกฟาดแล้วก็ได้ความโกรธได้ความลืมตัว คือจะตีลูกก็ตีไม่ได้แต่ก็ตีแล้วทีแมเอาไม่ฝากไม่ไม่กวาดตีลูกนะมันยิ่งบานปลายเข้าไปใหญ่ไม่กวาดฟาดด้านไม่กวาดเนี่ยตีกับโตตีตีตีตี ต, ต, ต, ต, ตีมือคนคุ้มคลั่งบางครั้งบางคราวก็กดลูก บานนีก็โยนของใส่พื้นแม่เนะี่ยแม่ก็วางโยนของใส่พื้นบางทีก็ใช้ตีนทีประตูแล้วก็มานั่งดูโอ้ทาไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมเรากลายเป็นคนอย่างนี้ได้พอตั้งตั้งสติมาพิจารณาทำอย่างนี้ได้ยังไงนะ กับคนอื่นนี่ก็พูดดีทำดีอ่อนหวานแล้วก็ย้อนแราลึกถึงสมัยก่อนสมัยที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเราก็เป็นคนที่ดีสูบภาพกับสูภาพกัอ่อนโยนกับใครเอื่อเฟื้อต่อผู้คนมากมายทำไมเป็นอย่างนี้กับลูกซึ่งเป็นคนที่เรารักที่สุดได้ อันนี้มันก็เป็นแง่คิดนะยิ่งรักมากเท่าไหร่มันก็ไอ้ความที่ความรุนแรงหรือว่าความก้าวร้าวก็เพิ่มตามไปด้วยทำนองว่ารักมากเท่าไหร่ก็โกรธมากเท่านั้นหรือผิดหวังก็ทําให้เกิดความเกลียด หรือว่าเการ้ า, ราแต่ก็งดีนะที่แม่วันนี้เขารู้สึกว่าชั ก, ชกไปชอกไม่ไหวแล้วเขก็เลยพยายามหาหาทางที่จะแก้ไขตนเองแม่บางคนก็คิดแต่จะไปแก้ไขลูกหรือแม่ก็โทษลูกแต่นี้เขากลับมากลับมาทางที่จะ แก้ไขตัวเองแต่ก่อนฉันไม่เคยเป็นคนแบบนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วเขาก็เลยมามาเจอเพื่อนนะไปเข้าเวิร์กช็อปกับเพื่อนนะเพื่อนคนนี้ชื่อครุฑนาแก่ทาโรงเรียนพ่อแม่ลูกโรงเรียนนี้ไม่ใช่เป็นโรงเรียนแบบมีอาคารนะก็เป็น เป็นการหลบรมเป็นเวิร์กช็อปวันไอ้สาวันนี้มันคงจะไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่มันทำให้ชุกคิดชุกคิดก็คือว่าเริ่มที่จะมากลับมาเปลี่ยนแปลงตัวในการมาทำดีกับลูกเพราะเขาเพราะอ่าที่ลูกเป็นยีก็เพราะเขา มันเป็นปฏิกิริยาโ ต, ต้อตอบกับเขาก็พยายามที่จะดึงพลังบวกออกมาจากตัวเองแทนที่จะปล่อยพลังลบออกไปเริ่มเรียนรู้ที่จะพูดดีกับลูกอดทนกับลูกแล้วก็แม้กระทั่งการพยายามกอดลูกถ้สังเกตนะเวลาตอนแรกที่เขาตั้งใจไปกอดลูกเนี่ย จะไปขอลูกกอดลูกก็ตวาดใส่มันจะมาทำอะไรเขาทำไมเพิ่งมาทำจะมากอดลูกตอนนี้แต่ก่อนไม่สนใจเลยเลยลูกไม่ให้กอดอแม่พยายามกอดลูกแต่ลูกไม่ให้กอดถามว่าว่าลูก แต่ก็ดีที่คนที่เป็นแม่เขาเขาไม่เขาอดทนก็พยายามเวลากอดลูกนี่ก็ตัวแข็งเลยนะทั้งแม่ทั้งลูกก็เลยแนะให้เพื่อนเนี่ยแนะนำว่ากอดยังไงเพื่อนก็ไปไปค้างไปค้างบ้าน ครอบครัวนี้นะแล้วเขาก็เวลาเขาก็ผูกสัมพันธ์กับลูกนะคุณาเนี่ยจนคุ้นเคยกัน้เสร็จแล้วก็วันหนึ่งเขาบอกนะเนี่ยขากอดหน่อยนะเด็กก็ให้กอดนะเด็กวัยรุ่นแล้วคุณ า, ากกกอดกอดด้วยความสนิทสนมอ่อนโยน แม่ก็ได้เห็นนะวิธีการกอดตาลังก็กอดใหม่นะกอดกอดลูก่ปลูกก็ก็เริ่มนะอยอมรับการกอดของแม่เพราะว่าแม่นี้เริ่มกอดด้วยความอ่อนโยนในความรู้สึกที่มันเคยความเล้าชานความ ความมึนตึงความหวาดระแวงมันก็ค่อยๆหายไปตอนหลังก็าความสัมพันลูกก็ดีขึ้นเขาก็ดีใจมากว่าเนี่ยได้ลูกกลับคืนมาดีใจที่ได้ลูกกลับคืนมาใช้เวลาอยู่นานนะกว่าที่จะเรียกว่าชนะใจลูกนะเพราะว่า ไอ้ความความเหมือนห่างมังมอหรือความจะเรียกว่าไรความแข็งกระด้างเนี่ยมันสะสมมานานสะสมมาหลายปีในจิตใจของลูกนะ อาศัยที่แม่นี่เป็นแม่นี่ยเขาก็พยายามที่จะอาศัยความรักนะความรักลูกก็พยายามทําทุกอย่างอดทนต่อลูกทําไม่สําเร็จก็ทําใหม่ไม่เสร็จก็ทําใหม่อาศัยการเปรียบเทียบด้วยาการเปรียบเทียบเขา ก, ก็เห็นนะเวลาเขาโทรศัพท์กับคนอื่นนี่โทรศัพท์ด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนแต่เวลาโทรศัพท์คุยกับลูกนี่มันมีความรู้สึกความดุ ความแข็งกระด้างให้ลูกเวลาคุยกับแม่ก็แข็งกระด้างหนึ่งต่างคนต่างใส่พลังลบเข้าหากันหรือต่างคนต่างก็เป็นผลสะท้อนของพลังลบไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนก็คงจะเป็นแม่เริ่มก่อนตั้งแต่เล็กๆตอนลูกยังเด็กก็ดูว่าเด็กมันก็ มีปฏิกิริยาต่อต้านแล้วก็ตอบโต้ลบลบใส่ชั้นชั้นก็ลบใส่ต่างสาดใส่พลังลบเข้าหากันจงกระแท่มันก็ลงเอยแบเนี้จะจะทำศึกสงครามกันต่างสาดใส่ตัวปูเข้าหากันเต็มที่แต่พอฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งเริ่มนะเริ่มปรับปรเปลี่ยนตัวเอง เริ่มที่จะพูดดีทำดีพอเอาพลังบวกใส่เข้าไปพลังบวกที่ให้ไปมันก็ดึงเอาพลังบวกอีกฝ่ายออกมาใช้เวลานะพลังบวกของแม่นใช้เวลานานกว่าจะดึงพลังบวกของลูกออกมาจากใจแต่ว่าตอนหลังก็ค่อยตรงสิานเดนี้ก็กลับมาเสน่ห์สนมคุ้นเคยมีความรักกลมเกลียวกัน แเล่าไปก็ร้องไห้เลยนะแล้วก็บอกดีใจที่ได้ได้ลูกกลับคืนมาที่จริงฟังที่กัเล่าแล้วเนี่ยการที่แกได้ลูกกลับคืนมาเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่แกเอาตัวเองกลับคืนม า, มากกว่าเริ่มต้นที่เอาตัวเองกลับคืนมา เอาตัวเองเนี่ยที่เคยเป็นคนที่ดีคนที่อ่อนโยนเนี่ยกลับคืนมาเพี<ม><น>ยงแค่วความสัมพันธ์แยกลงเพราะว่าตัวเองนี่มันเสียสูญเสียความเป็นตัวเองไปกลายเป็นใครก็ไม่รู้กลายเป็นมาเล้ายนะสูญเสียตัวเองที่เป็นคนเดิมไป มันมีมาตัวมาร้ายกับเข้ามาแทนที่นะตัวตัวนางมาร้ายเาตัวนางมาลัยเข้ามาแทนที่ก็เลย ค, ยค่อยๆเสียรูปไปแต่พอเริ่มต้นในการนะเอาตัวเองกลับคืนมาเอาด้านดีในตัวเองกลับคืนมานะเปลี่ยนจากนางม า, รานระลัยกลายเป็นแม่ที่มีความรัก พอเอาตัวเองกลับคืนมาเอาด้านเดีขงตัวเองนี้กลับคืนมาลูกก็กลับมาเองนมันมันเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตัวตโนมันพอเราเอาตัวเองกลับคืนมาลูกที่สูญเสียไปก็กลับมาที่จริงคงรวมอย่างอื่นด้วย ก็ถ้าเป็นกรณีอาจจะหมายถึงว่าได้ผัวกลับคืนมาได้เพื่อนกลับคืนมาหรืออาจจะได้แม่กลับคืนมาก็ได้ถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เอาตัวเองกลับมาซะก่อนให้ขความที่ไม่ทำได้มันต้องต้องอาศัยความมีสตตต้องอาศัยความรู้ไม่รู้ตัวมาก เพราะว่าที่ความสํานมันเสียหายเราฉานเพราะมันลืมตัวปล่อยให้ความโกรธความเกลียดให้ลืมตัวนี่ก็เหมือนกับว่าทิ้งตัวเองเอาไว้ไม่รู้ที่ไว้ที่ไหนเวลาเราลืมของก็หมายถึงว่าเราลืมของไว้ไว้ที่ใดที่หนึ่งสักที่ไหน ท, หนที่ที่ใดที่หนึ่งสักแห่งนึ ง, งลืมของก็คือลืมของไว้ ที่ไหนไม่รู้ลืมตัวก็เหมือนกันนะลืมตัวมันก็คาก้าบว่าลืมตัวเองเอาไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งสักแห่งแต่สิ่งที่มามาแทนที่เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นตัวร้ายเป็นนางมารร้ายเป็นปีศาจ คนเราเป็นอย่างนั้นนะเวลาลืมตัวเนียมันก็มีอย่างอื่นมาแทนที่เป็นตัวร้ายแต่พอเรากลับมารู้ตัวไอ้คนเดิมก็กลับมาคนที่มี ความเอือเฟื่ออ่อนโยนจะคนส่วนใหญ่พอมีปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยมันก็คิดแต่จะไปแก้คนอื่นมีปัญหากับลูกก็พยายามทําให้ลูกเนี่ยฟังพ่ อ, พ อ, พ อ, พอฟังฟังพ่อฟังแม่หลายคนมันกจะถามเี่ยทยํายังไงทํายังไงดีถึงจะให้ลูกฟังพ่อแม่ แต่มาก็ไม่บอกเนี่ยเป็นเพราะว่ า, อาบอกว่าเนี่ยเราพ่อแม่นี่แหละที่ต้องเริ่มต้นด้วยการฟังลูกก่อนถ้าพอ่อพ่อแม่ฟังลูกเมื่อไหร่เนี่ยลูกก็จะฟังพ่อแม่เมือ น, นั้นส่วนใหญ่ที่ลูกไม่ฟังพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ไม่ฟังลูกก่อนพอไม่ฟังลูกเนี่ยลูกก็ไม่ฟังพ่อแม่ สิ่งที่ลูกทำกับพ่อแม่เนี่ยมันรู้แล้ว แ, แตเป็นผลสะท้อนจากการที่พ่อแม่ไปทำกับลูกอยากให้คนหนึ่งฟังเราเราก็ต้องฟังเขาก่อนถ้าไม่ฟังเขาเนี่ยเอาแต่สั่งสั่งเขาในสุดเนี่ยพ่อลูกก็กลายเป็นคนที่ไม่ฟังพ่อแม่ แม่พูดอะไรไปก็ไม่สนใจต่อต้านอันนี้ว่าลบนะลบเจอลบเนะี่ยคำว่าลบดึงดูดลบเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็พูดกันเยอะลบดึงดูดลบแต่ว่าไปตีความว่าเนี่ยถ้าเราไปนึกถึงความเจ็บป่วยเดี๋ยวเราก็เจ็บป่วยถ้าเรานึกถึง ความล้มเหลวเดี๋ยวความล้มเหลวก็จะเกิดขึ้นมักจะตีความแบบนั้นซึ่งมันก็ไม่มันก็ไม่จริงหรอกมันก็ไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปหรือมันแค่ไม่เกี่ยวกันได้ซ้าแต่ถ้าลบหมายความว่าเราไปทำอะไรเราใช้เราทำไม่ดีกับคนอื่น คนอึ่งเขาก็ไม่ทำไม่ดีกับเราเราพูดไม่ดีกับใครสิ่งที่ได้กลับมาคือคำพูดที่ไม่ดีจากคนอื่นหรือจากคนนั้นอันนี้ลบเรือลบดึงดูดลบพอแม่ใช้พลังลบกับลูกนะลูกก็ตอบโต้โดยส่งพลังลบกลับมา อันนี้มันก็ใช้ได้กับกรณีอื่นด้วยนะไม่ใช่กรณีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกกรณีอื่นๆด้วยเดี๋ยวนี้คนมีปัญหาความสัมพันธ์มากไม่ใช่ในครอบครัวอย่างเดียวในที่ทํางานในหน่วยงานหรือแม้กระทั่งในวัดในสถานปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้มาเริ่มต้นจากการที่คนเรา ละทิ้งละทิ้งตัวเองไปหรือเรียกว่าลืมตัวเนี่ยคนเราลืมตัวพอมันสูญเสียตัวเองไปมันก็สูญเสียคนอื่นตามไปด้วยกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเอาใจกับมาอกันเนืกับตัว พอจำอยู่กักบตัวเมื่อไหร่กลับมารู้สึกตัวไอ้ตัวมารร้ายปีสารล่ำก็หายไปพอได้ตัวเองกลับคืนมาลูกก็กลับคืนมาเหมือนกันหรือว่าใครต่อใครที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีและสูญเสียไปก็กลับมา มันทอะไรกับคนเราเนี่ยพอเป็นมิจกตัวเองเมื่อไรเนี่ยไอายการที่เป็นมิจคนอื่นมันก็เป็นเรื่องง่ายแต่พูดอย่างนึงก็ได้เรื่องที่พูดมาทั้งหนดเนี่ยเพราะว่าผู้คนเนี่ยคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นมีก่กตัวเองก็พยายามมองอะไรในทางลบ หรือว่าปล่อยให้อารมณ์ตามมาครอบงำย่ำยีซ้ำเติมจิตใจก็ลรพอมันทำร้ายตัวเองเนี่ยการที่ทำร้ายคนอื่งก็กลายเป็นเรื่องง่ายทำร้ายตัวเองด้วยการปล่อยให้กิเลสอยให้ความโลภความเศร้าความโกรธมันเล่นงานจิตใจ แต่พอเป็นมิจกับตัวเองเมื่อไหร่นะไอการที่จะเป็นมิจกใครต่อใครมันก็เป็นเรื่องง่ายหรือมันก็ตามมาเองในคว่า น, นี้มาเริ่มต้นด้วยการกลับมาที่ตัวเองเริ่มแต่การเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมอง แทนที่จะโทษคนอื่นก็เออกลับมาดูที่เราแทนที่จะเปลี่ยนเขาแทนที่จะคิดเปลี่ยนเขากลับมาเปลี่ยนเราวเวลาพอมันคิดลบแล้วนี่มันก็ก็เจอลบได้ง่ายอย่างเพื่อนที่ก็เป็นที่ทชื่อกรุณานี่ยเขาก็เล่านะ แกก็แกก็เอาประสบการณ์ชีวิตตัวเองมาเล่าเอาความตกแต่งตัวมาเล่ามันก็เป็นแรงบันาใจให้คนอื่นหรือมันทำให้เกิดข้อคิดอย่าเราว่าเนี่ยพ่อเติดมานี่ก็เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อก็ชอบว่าแม่บางทีก็ใช้กำลังกับแม่งานการพ่อก็แม่ค่อยทำ เอาแต่เล่นไพ่เห็นพ่อทำร้ายแม่มันก็ฝังใจฝังใจอยู่ข้างไปคิดว่าเนี่ยว่าถ้ามีผู้ชายแบบพ่อเนี่ยถ้ามีสามีที่เป็นผู้ชายแบบพ่อนี่ฉันไม่ยอมฉันต้องสู้ให้ได้ แต่คือขณะการที่เจอประสบการณ์แบบนี้บ่อยๆมันทำให้เกิดความฝังใจผู้ชายมันก็คงเป็นเหมือนอย่างพ่อนี่ก็เป็นความคิดฝังใจเมี่ตอติพอโตขึ้นก็เกิดไปชอบผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งสุกท้าก็ได้แต่งงานกัน สามีก็ดีมากไม่สามีคนแจมเป็นคนรักครอบครัวเป็นศิลปินอ่อนโยนสุภาพแต่ว่าความฝังใจในเกี่ยวกับผู้ชายมันก็มีอยู่ในส่วนลึกของคุณนาบางครั้งเนี่ยพอสามีพูดดุบ้างเสียงแข็งบ้าง คุณนายก็จะเลือกจดเลือกจำแต่เรื่องนี้เอาไว้เลือกจําเลือกเห็นแต่แบบนี้ไอ้ที่เขาทำดีๆก็ไม่ค่อยสนใจไอ้ที่เขาพูดไม่ดีทําไม่ดีซึ่งเป็นส่วนน้อยนี่ก็กลับมาจดจําเพราะมันมีภาพฝังเอาไว้ภาพจําสมัยเด็กๆว่าผู้ชายมันเป็นอย่างเนี้ยพอเจอพอเลือกจําเลือกเห็นแต่ไอ้สิ่งไม่ดีคําพูดไม่ดีของ สามีมันก็เลยยิ่งไปไปต่อยแยาอกติแล้วก็ทําให้เกิดความหวาดระแวงี่ยสามีเป็นอย่างพ่อไอ้ความหวาดแวงนี้มันทำให้เกิดการตอบโต้วไว้ความไม่ชอบพ่อก็เริ่มค่อยออกมาเป็นความไม่ชอบสามี พอสามีพูดอะไรไปไม่ถูกใจก็ก็ว่าใส่ตว่าใส่แต่ตัหลังนี่ก็พอใจคิดว่าสามีเป็นเองจะเป็นไม่ต่างกับพ่อยังก็เลยทำให้การพูดการจางแก่ก็ไปทางลบมากขึ้นต่อว่าสามีมากขึ้น พอทำอย่างนี้บ่อยๆเนี้ยมันก็มีมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งจุดหนึ่งที่สามีมทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็ดา่าแล้วก็ถึงขั้นจะใช้กำลังันูก็ยิ่ไปย้ำเลยเนี่ยโอ้เนี่ยผู้ชายเป็นอย่างนี้แหละชอบทำร้ายเมียไอ้ที่เกียดพ่อ ไม่อยากเจอผู้ชายอย่างพ่อก็เลยได้ผู้ชายอย่างพ่อไปแต่ที่แต่ว่าเขายังดีนะเขามากลับมาดูตัวเองว่าไอ้ที่เขาที่สามีทํำนี้เป็นพ่อเราเองไปบิวเขาเราเอางไปบิวอารมณ์ทําให้เขาเป็นอย่างนั้นและที่เราบิวอารมณ์นั้นเพราะว่าเรามีความเบียดคติฝังใจอยู่พอ พอมันมีความคิดลบเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการทำลบขึ้นพอทำลบมันก็จะเลยก็เลยเจอเจอลบพอกระลุกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนนะเริ่มเปลี่ยนที่จะลบล่าคตินะพยายามที่จะพูดดีทำดีพยายามที่จะเอาชนะคตนะิที่มีกลวงพ่อ สุดท้ายความสัมพันธ์กับเพื่อนกับสามีก็ดีขึ้นตอนหลังก็ไปแก้ไ ป, ไปแก้ปมกับพ่อนะก็ไปไปบอกความในใจกับพ่อแล้วก็พยายามมองพ่อว่าพ่อก็าทำดีกับพ่อแม่กับแม่บัางกับลูกบ้างก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมพ่อถึงไปเอาแต่ เร่งการพ น, นันตารังก็ไปไปเกียนจดมมาถึงพ่อเนี่ยบอกความในใจไปขอโทษขอโพยก็ตาลังความสัมพันธ์เข้ากับพ่อก็ดีขึ้นไม่มีปมอะไรค้างคาประเด็นที่ต้องการชื่อชื่อว่าเนี่ยคนรอนี่มันถ้าคิดยังไงก็เจออย่างนั้นเลย คิดว่าผู้ชายที่ว่าผัวนี่ไม่ต้องไม่ต่างจากพ่อเนี่ยก็เจอปัวง่างจริงๆแต่ที่เจอเนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของอะไรนะเป็นเพราะว่าพอคิดแบบนั้นแล้วมันก็เลยไปบิวเขาพอคิดว่าพอมีคติว่าผู้ชายต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเลือกเห็นเลือกจําแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีของเขาแล้วก็ไป ไปกระทําตอบโต้ในทางที่ไปยั่วยุเขาพอไปยั่วยุเขาเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงเลยไปทําให้เขาเป็นอย่างนั้นเองแกก็มองเห็นว่าเราไปทําให้เขาเป็นอย่างนั้นทําให้สามีเป็นอย่างนั้นเราไปเบี้วอารมณ์เขาที่เราไปเบี้ยวอารมณ์เเพราะเรามีความเราแวงว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นพอราแวงว่าเป็นอย่างนั้นก็เลยทําให้ได้เจออย่างจริงๆ อันนี้เราว่าลบไปดึงดุลบนะแต่ว่าที่ลบมันมาเพราะไปทาไปทาไปทาเองไปยั่วไปยุไปเชิญชวนมาเองเฉพาะเปลี่ยนที่ใจนะใจเปลี่ยนไคาคติเปลี่ยนไปพฤติกรรมเปลี่ยนไนดะ้พอคิดบวกเข้านะคิดบวกก็ทำบวกพอทำบวกก็เจอบวกอันนี้ก็ เป็นกฎแทนกรรมดีๆนี่เองอ่ะคัาวนี้ก็พูดเท่า น, นี้อ่เกิดับ